นมัสการอาจารย์พระมหาประจวบนะค ร, บครับเพื่อนสหัรรมิกเจริญพรญาติโยมเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายนะทุกไม่ทุกละ <c oughs> จำได้ไหมเจอกันครั้งก่อนนะที่นี่เดือนธันวานะหลวงพ่อพยากกรไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ว่าปีนี้ไม่แน่หรอก มีอะไรแน่ไม่มีนะอะไรๆก็ไม่แน่ดูการบ้านการเมืองก็ไม่แน่นี่ไหมหลวงพ่อจะมาเทศยังไม่แน่เลยบางคนมาวันนี้กะจะมาฟังหลวงพ่อแถลงการเข้าใจผิดแล้วนะสาลาลุงชินเขานี่หมดมาเทศไม่ได้นิ่หมดมาแถลงการนะพูดหนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเสียใจ มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะในโลกมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบนี่แหละโลกละนะบางคนสงสั ย, ยคนด่าหลวงพ่อมาเป็นปีๆทำไมหลวงพ่อช่วยดูวันท ว, น, วนแข็งแรงกว่าเก่าอีกคิดง่ายๆนิดเดียวถ้าหลวงพ่อทำความผิดจริงไม่ต้องด่าล่วงหน้าเป็นปีหรอกนะ ก็จับเราสึกไปสิใช่ไหมตั้งอธิการสอบสวนมีความผิดจริงก็สึกไปก็เท่านั้นเองทำไมต้องบอมด้วยข้อมูลเป็นปีๆนะสุดท้ายทำไมจะต้องมาสร้างสถานการณ์ที่สาราลุชิน่นเอาํำรวจมาจับให้เป็นข่าวตอนบ่ายจ ะ, ะแถลงข่าวอนะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องการก็ต้องการสร้างกระแสให้สังคมรับรู้ว่าโอ้พระปราโมนี่พระอรัชชีนะ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 นอยเข้าไปในเขียนเชียร์หลวงพ่อซะอีกเ <c oughs> นี่ยต้องขอบคุณสื่อจำนวนมากเลยนะช่วยหลวงพ่อบางท่านยังไม่เคยรู้จักเขานะบางคนก็เคยรู้จักบ้างอย่างคนแรกเลยกระโดดออกมานะคุณดังตรินโดดออกมาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยจะเจ็บตัวซะเปล่าๆอีกคนหนึงคุณกีเลนกีเลนประลองเฉิงไทยรัฐ อาจารย์ภูเตสวนของขันเรือนองค์ที่เด็ดขาดมากเลยนะหลวงพ่อภัยารวิสาโรรู้จักท่านไหมพอท่านเขียนเสร็จนะท่านรู้ว่าจะลงมติชนวันอาทิตย์นะพอลงปุ๊บนะท่านเข้าไปอยู่ที่สวนสันที่ธรรมเลยท่านบอกท่านขอลีภัย <c oughs> <c oughs> ไปอยู่สซะตั้งหลายวันนะ <c oughs> อยู่ดนะ็อร์สุวิไนหลวงพ่อไม่เคยรู้จักนะเขาก็เขียน ช่วงที่ไม่เจอพวกเราหลวงพ่อก็โช่วยโอกาสนะไม่ได้รับนิมนต์ว่างนะเอกไปกราบครูบาอาจารย์คนมันชอบมาปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อเข้าวัดป่าไม่ได้เลยเข้าให้ดูเลยนะเข้ามาเสียเยอะแยะเลยเห็นมีปัญหาสักวัดเลยนะมีแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปช่วยกันสอนนะให้ช่วยกันเผยแพร่เพรายุคนี้คนไม่มีศีลมีธรรมเยอะเหลือเกินท่านมองตรงนี้นะท่านมองหลวงพ่อนในในฐานนะที่ว่า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 ก็ว้าวเวเนี่ยความสุขของเรายิงอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่โตขึ้นมาหน่อยนะความสุขของเรารรยิางอาศัยกับญาติพี่น้องความสุขยิงอาศัยอยู่กับเพื่อนต่อมาเขามาทํางานมาเรียนหนังสือเนี่ยความสุขของเรายิง ก, กับการเรียนถ้าเรียนได้ดีก็มีความสุขทํางานได้ตําแหน่งดีๆแล้วมีความสุขมีเงินเดือนมากๆแล้วมีความสุขความสุข ข, ของเรายิงอยู่กับสิ่งอื่นตลอดเวลาเลย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 พามันอดข้าวอดนอนนะไป น, นอนบนตะปูบางคนก็เอาตัวเองไปฝังดินโผล่หัวโผล่จมูกมาหน่อยงั้นทรมานร่างกายหวังว่าจะไม่ให้รักร่างกายสุดท้ายมันก็รักเกันได้มันไม่ใช่วิธีนะหรืออยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนคิดว่าทรมานใจสัก ว, วันหนึ่งจะไม่ยึดถือใจมันกลับพลิกเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปเราดูไม่ทันหรอก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 ถ้าทิ้งการแยกธาตุแยกขันธ์ซะแล้วเนี่ยไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกนะการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธนะ์เพราะอะไรเราต้องมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นส่วนๆคาว่าขันธ์ฟังแล้วน่ากลัวภาษาไทยก็คือคำว่าเป็นกองกองเป็นส่วนๆนั่นเองแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความปรุงดีปรุงร้าย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 แต่ถ้าขาดสติมันรวมกันมาขันห้ารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะรู้สึกว่าเราปวดนะแต่พอความขันห้ากระจายตัวแยกตัวออกไปเป็นส่วนส่วนรูปส่ว น, ร, วนรูปของร่างกายนะเวทนาความรู้สึกปวดนะส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งนะเราจะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรานะนี่ค่อยหัดไปเรื่อยนะความโกรธความโลภความหลงอะไรเกิดก็มีสติรู้ทันนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วดูลงไป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 นี่ครูบาอาจารย์ท่านฝากมานะบอกให้ช่วยมาเน้นเรื่องศีลกระโยมหน่อยนะพวกโยมทุกวันนี้ไม่มีศีลมีธรรมไม่เฉพาะโยมหรอกพระก็เหมือนกันนะเป็นทั้งหมดหลยนะยุคนี้อาจารย์มหาบัวถึงบอกนี่ยุคบ้านหมาเมืองหมานะไม่ใช่บ้านคนเมืองคนคนมันไม่มีศีลนะถ้าเป็นคนต้องมีศีล น, นะนั้นพวกเรามีศีลไว้ก่อนนะทําให้ใจสงบง่ายถัดจากนั้นพอเรามีศีลแล้วเรามาฝึกจิต บทเ ร, รียนที่1นะรักษาศีลการฝึกรักษาศีลเนี่ยเป็นบทเรียนชื่อว่าศีลสิกขาถ้าพูดให้เต็มยศนะจะชื่ออธิศีลสิกขามีอธิด้วยยิ่งใหญ่นะบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่เลยบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องของศีลพอเรามีศีลแล้วต่อไปนี้เรามาฝึกจิตฝึกจิตบทเรียนที่ฝึกจิตเนี่ยชื่ออธิจิตสิกขาเรียกย่อๆว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตแล้วจะได้อะไรจะได้สมาธิ ถ้าเรียนเรื่องศีลจะได้อะไรจะได้เรื่องศีลจะได้ศีลจะได้ความมีศีลถ้าเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธนะิบทเรียนสุดท้ายถึงจะเป็นอาทิปัญญาสิกขาก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่คุยตะกี้นี้นะค่อยๆดูไปดูร่างกายเราไปส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิต นะสังขารที่เป็นกุศลกุศลไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปล ป, ปลอมเข้ามาในจิตนะี่หัดแยกอย่างนี้แล้วแต่และตัวจะไม่มีตัวเราเป็นไตร ล, ลักษณ์ทั้งหมดการที่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของขันห้านั่นแหละเรียกว่าปัญญานะนี่ก่อนจะที่ทเราจะมาทําปัญญาได้รักษาศีลไปรักษาศีลเสร็จแล้วต้องมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้าไม่ฝึกจิตให้ดีจะเจริญปัญญาไม่ได้นะจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้จริง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 คนไหนอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็อยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพ่องยุบแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องพ่องยุบพอจิตใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นนะคล้ายๆเด็กนะเด็กสนเราเรียกมากินขนมมันชอบกินขนมชอบกินไอติมให้มันกินไอติมมันก็ไม่ไปสนที่อื่นนะ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 งั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของท่านคนเดียวล้วนๆคาสอนส่วนหนึ่งมันเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยสอนกันอยู่แล้วแล้วท่านเห็นว่าดีท่านเอามาสอนต่อยอดงั้นคําสอนของท่านเนี่ยคือคำสอนต่อยอดนะส่วนยอดที่ท่านต่อเนี่ยมี2 อ, อันอันที่1คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะอันที่2การฝึกจิตให้เกิดปัญญานะการฝึกจิตให้สงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือศรีชีพไพรทำมาแล้ว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 อราดาบทหรือทกดาบทนะอาราดาบทเนี่ยสอนเรียกว่าอากินจัญญายตนะสอนไปถึงสมถะนะถึงฌานที่เจนะ็อุทกษดาบทเนี่ยสอนถึงฌานที่8ปดฌานที่7จดทานที่8นี่เป็นอรูปฌานฌานที่เจ็เพ่งความไม่มีอะไรนะว่างๆเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะจับอยู่ที่ความไม่มีอะไรฌานที่8เนี่ยจิตมันอ่อนกําลังลงนะมันจะเคลิ้มลงไป ความรู้สึกจะเหลือนิดเดียวรีบด ร, รีบดีเลยนะแทบจะไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกน้อยฟ้าผ่ายัางไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะรั้สมถะนะที่ให้ฝึกให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาต่อยอดนะตอนเด็กๆตอนพ่อของท่านไปแลกนาจาได้ไหมแล้วที่ท่านไปนั่งสมาธิใช่มท่านหายใจหายใจไปแล้วจิตสงบนะตรงนั้นน่ะท่านทำจิตตั้งมั่นแต่แล้วท่านลืมไป ตอนเด็กๆเคยเป็นนะจิตตั้งมั่นแล้วท่านลืมไปนะโตขึ้นมาก็เที่ยวสแสวงหาทางหาไปที่อื่ น, นหาไปฝึกจิตให้สงบหาไปทรมานกายหาอะไรดิ้นรนไปเยอะเลยเสร็จแล้วท่านก็เริ่มมันึกขึ้นได้ว่ามันตึงเกินไปทรมานตัวเองก็ตึงเกินไปนะปล่อยใจปล่อยกายตามกิเลสก็หย่อนเกินไปทางพอดีพอดีนีรู้สึกตัวอยู่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับรู้นั่นเองอะจิตใจที่รู้สึกนั่นแหละ งั้นท่านมาหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกนะคราวนี้ไม่ได้เอาเคลิมไม่ได้มุ่งไปสู่อรูปฌานแล้วหายใจด้วยความรู้สึกจิตตั้งมั่นถึงระดับฌานที่สี่ตั้งมั่นถึงฌานที่สี่ไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรสงบตั้งมั่นอยู่คราวนี้ท่านพิจารณาธรรมะได้จิตท่านควรแก่การเจริญปัญญาแล้วท่านมาเจริญปัญญานี้พวกเรายากมากเลยที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นในระดับฌานที่สี่นะยาก มันก็มีวิธีฝึกแบบช่วงครั้งช่วงคลาวนะให้ตั้งช่วงขณะวิธีนี้ครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมากรนะทั่งในคําสอนของหลวงปู่มั่นก็มีเนะช่นให้เราหาอารมณ์กรรมาฐานมาสักอันหนึ่งนะเช่นพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้นะอะไรก็ได้นะแต่เดิมเคยทําใช้อารมณ์นั้นนะเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์คราวนี้เปลี่ยนนิดเดียวให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์นั้น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 เรารู้สึกตัวรู้สึกสบายสบายอย่างบางคนลวงพ่อบอกว่าตื่นและจิตตื่นก็คือจิตมันตั้งมั่นแต่มันตื่นชื่วตื่นทีละขณะนะเดี๋ยวนึงก็ฟุ้งได้อีกหลับได้อีกละเงี้ยมันต้องฝึกบ่อยๆทุกวันเราแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันเราฝึกกรรมาฐานพุโทโธไปหายใจไปนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันไม่ห้ามในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตลงไป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 วันเราไม่ได้ภาวนาให้จิตสงบแล้วก็เฉยมีความสุขนะดูจิตไปจนจิตไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็บอกนี่เป็นพระอระหรันยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยนะแล้วเราไม่เอานะช่วยจิตให้ติดเฉยๆนิ่งๆเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาศัยฝึกไปด้วยจนจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วก็มาดูลงไปในร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู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 ตัวรู้เกิดขึ้นนะชั่วคราวก็กลายเป็นตัวเพ่งแม้ตัวรู้ก็แปรปรวนไปเดี๋ยวหลงละ่ะหลงไปทางไหนเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าตัวรู้หรือตัวจิตเองนะเกิดดับเหมือนกันนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันถ้าในขันห้าของเรานี่นะเราภาวนาแล้วยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะเก็บเอาไว้สงวนเอาไว้ไม่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วก็ไม่มีทางเป็นพระโสดาบันเลยเพราะพระโสดาบันนะเห็นขันห้าทั้งหมดเลยเป็นไตรลักษณ์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 สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะเห็นอย่างนี้นะร่างกายก็มีเหตุใช่ไหมร่างกายหมดเหตุร่างกายก็แตกสลายไปอะไรหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ไหมหมดลมไปร่างกายก็แตกสลายไปนะจิตใจก็เหมือนกันนะเกิมีเหตุมันก็เกิดอย่างโทสะจะเกิดก็ต้องมีเหตนะุต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะเราต้องมีอนุสัยขี้โมโหยืนพื้นอยู่แล้ว กระทบอารมณ์ไม่ดีขณะนั้นไม่มีสติหลงไปนีนะ่มีหลายเงื่อนไขนะกว่าโทสะจะเกิดเพราะนั้นโทสะก็ไม่ได้เกิดได้ง่ายๆต้องมีเหตุตั้งหลายอย่างมาประจวบกันพอดีๆแล้วก็เกิดนะราคาโทสะอะไรเหมือนกันหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องมีเหตุถึงจะเกิดกรนะทั่งสติก็ต้องมีเหตุให้เกิดนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดสตินะตการที่จิตจําสภาวะแม่นเป็นเหตุให้เกิดสติอนะไรทําให้สมาธิเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธิความสุข เป็นเหตุใกล้ของสมาธิอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่หไหมมันเรียงกันเป็นทอดทๆ ด, ดเลยเมืนะ่อเราฝึกมานะฝึกมาเรื่อยๆ ร, รักษาศีลไม้มันก็มีความสุขจิตก็มีสมาธิง่ายนะมีสมาธิแล้วก็ฝึกไม่เอาสมาธิที่นิ่งๆเคลิ้มเลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวเหลอๆเรื่นเหรือสมาธิออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรต่ออะไรข้างนอกไม่มีสาระนะสนุกแต่ไม่มีสาระอะไรล้างกิเลสไม่ได้ล้างทุกข์ไม่ได้จริง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 จิตทั้งสงบทั้งตั้งมั่นอยู่ในฐานของมันไม่ใช่สงบไปอยู่นอกฐา น, นไปอยู่ที่ลมหายใจอะไรอย่างนี้ไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่เท้านี่จิตออกนอกนะนเราฝึกนะค่อยๆฝึกจิตของเราสอนมาตั้งนานสรุปได้ไหมว่าสอนอะไรสอนง่ายๆนะอันแรกรักษาศีลไว้ก่อนอันที่สองมาฝึกจิตฝึกจิตมีสองอย่างฝึกให้สงบวิธีฝึกจิตให้สงบ นะหาอารมณ์ที่สบายใจมาล่อคนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปเรืยจิตก็สงบนะคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบนะถ้าอยู่กับอะไรแล้วไม่มีความสุขก็เปลี่ยนไปซะไปหาอันอื่นบางคนทําอะไรไม่ได้เลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าหรืออ่านประวัติครูบาอาจารย์อ่านแล้วมีความสุขนะได้อะไรได้สมถะนะนี่ก็ได้สมถะเป็นสังขารโนสติคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์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 หรือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วอะไรพวกนี้ไม่ใช่คนมันเห็นเองแต่ถ้าคนไหนไม่เห็นต้องช่วยมันนะพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบิกบานแล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบานเฉยอยู่อย่างนี้ต้องช่วยให้มันพิจารณานะต้องกระตุ้นให้มันเดินปัญญาวิธีกระตุ้นให้มันเดินปัญญานะี่คือใช้ความคิดนี่เองนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดตลอดชาตินะไม่ใช่เบื้องต้นบางคนต้องคิดเลยนะเช่นคิดลงไปเลยผมนี่เป็นตัวเราไหม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 ดูไปด้วช่วยมันคิดพิจารณานะพิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์พิจารณากายลงเป็นไตรลักษ์พิจารณาจิตลงเป็นไตรลักษ์เรื่อยๆเป็นการกระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นสัญญากระตุ้นสัญญานะยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นปัญญากระตุ้นสัญญาสัญญาของพวกเราเป็นสัญญาวิปลาสสัญญาผิดๆสัญญาวิปลาสมีสี่อันเห็นของไม่สวยว่าสวยอย่างร่างกายเนี่ยจริงๆไม่สวยไม่งามนะสกปรกโสโครกเราไปหมายรู้ว่าสวยว่างามนะ สัญญาวิปลาสว่ามันเที่ยงกายนี้นเที่ยงใจนี้เที่ยงเห็นไหมสองกระจกมาตั้งชั่วโมงแล้วหน้าก็ยังเหมือนเดิมสิวนี้เ ม, ม็ดนี้ก็ไม่หายไปนี้มันเที่ยงนะหรือว่ามันเป็นทุกข์นะหรือมันเป็นสุขชอบคิดว่ามันสุขนะชอบดูว่ามันเป็นสุขเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ก็เรียกสัญญาวิปลาสเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่เรียกสัญญาวิปลาสถ้าสัญญาวิปลาสมันอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่มาเดินปัญญาหรอก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 เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุนี่สอนให้มันมองต่างมุมในการปรับสัญญานี่ในระดับสัญญาเท่านั้นนะยังไม่ขึ้นปัญญานะแต่พอเราอาศัยสัญญานะปรับมุมมองสัญญานี่เหมือนมุมมองมุมมองในกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาสุภาษเนี่ยนะมุมมองในจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอาสุภาษจิตกายนี่มีอสุภาษณนี่พอมีปรับมุมมองใหม่เนี่ยต่อไปจิตมันเคยชินที่จะมองมุมนี้ พอเรารู้สึกตัวปั๊บนะมันจะหันมาดูกายเนี่ยมันจะเห็นเลยกลายนี้ไม่สวยไม่งามกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลากลายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เรามันจะเห็นเองนะจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นกายนี้ตกอยู่ใต้ใจรักตั้งมั่นขะึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นจิตตกอยู่ใต้ใจรักนะบางคนไม่ต้องคิดนำไม่ต้องปรับสัญญานี่พวกนี้เคยฝึกเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆนะเคยเดินปัญญามาบางคนถ้าไม่เคยหรือว่า ความหลงผิดมันเหนียวแน่นก็ช่วยมันปรับสัญญาช่วยปรับมุมมองสันิดหนึ่งฟังคำว่าสัญญาแล้วฟังแล้วน่ากลัวแปลไม่ออกนะปรับมุมมองของจิต้องปรับมุมมองของจิตสกหน่อยเป็นการช่วยให้มันมองต่างมุมนะเคยว่าสวยมองว่าไม่สวยเคยว่าเที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงเคยว่าสุขเห็นว่าทุกข์เคยว่าเป็นตัวเราเห็นว่าไม่ใช่เราตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา นี่พอจิตมันปรับมุมมองแล้วต่อไปมันเห็นไตรลักษ์เอง<ม>เห็นกายเป็นไตรลักษ์เห็นจิตเป็นไตรลักษ์เห็นโดยไม่เจตนาเช็นตรงนี้แหละขึ้นวิปัสนาแท้ๆแล้วนะนี่พอจิตมันเดินวิปัสนาแก่รอบปัญญามันเกิดมันจะตั ด, จะ ต, ดจะตัดเลยมันจะตัดอะไรตัดความเห็นผิดนะตัดความเห็นผิดปัญญาเนี่ยทำหน้าที่ล้างความเห็นผิดนะศีลทําหน้าที่ล้างกิเลสหยาบๆข่มกิเลสหยาบๆเพือราคาโทสะโมหะ สมาธิข่มกิเลส ช, ชั้นกลางนะคือนิวรณ์ทั้งหลายความฟุ้งซ่านของจิตปัญญานั้นข่มกิเลสละเอียดคือข่มความเห็นผิดทํำลายความเห็นผิดนะจะเอาปัญญาไปล้างกิเลสหยาบล้างกันไม่ลงนะคนละชั้นกันคล้ายๆเอานักมวยหรือเอาจิตตะกรฝีมือดีนะั้นไปทาสีบ้านนะอย่างนี้ใช้งานไม่คุ้มนะสมติจ้างจั ก, กรพัน์ไประบายสีทาตึกทาคอนโดเงี้ยประสาทกินเท่านั้นใช่ไหมไม่คุ้มกัน ธรรมะแต่ละอันสำคัญทั้งสิ้นศีล น, นะช่วยให้เราเนี่ยกิเลสหยาบๆเกิดขึ้นเราไม่ตามมันไปไม่ให้กิเลส ช, ชั่วยาบครอบงําใจทําให้กายวาจาเรียบร้อยนะศีลทําให้กิเลสหยาบครอบงําใจไม่ได้ถึงครอบได้ก็ไม่ยอมทําผิดนะเมื่อไม่ยอมทําผิดกายวาจาเรียบร้อยสมาธิจะทําให้ใจเรียบร้อยใจไม่ฟุ้งซ่า น, นโคโลนเห็นไหมต้องมีกายวาจาเรียบร้อยด้วยศีล น, นะมีใจเรียบร้อยด้วยสมาธิ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 แล้วก็ เ, เห็นหลงไปคิดนี่<ๆ>ก็จะเห็นว่ามันคิดได้เองอืค่ะแล้วก็หลงไปเพ่งบ้างแล้วก็เวลาคิดนี่ก็จะเห็นว่าเวลาเราต า, รามองเห็นจิตมันก็จะไปปรุงแต่งหรือหูได้ฟังบางครั้งฟังเสียงด้านขวาอย่างเงี้ยก็จะได้ยินว่าเจิตมันไปปรุงแต่งต่อชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นประมาณเนี้ยค่ะหลงไปประมาณานั้ น, น, น, นแหล ะ, ล ะ, ะนะดี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 อยู่ที่หลวงพ่อเออใช่สอบผ่านอ่ะคนตอบไปกาบมานักสการ์ค่ะหลวงพ่ อ, อขอกันบ้านค่ ะ, อะขอกันบ้านเหรอขอแล้วทํำไหมทํายังไม่ได้เลยค่ะเคไปขอท่านที่ซีพีครั้งนึงแล้วอะไรนะเคยไปขอหลวงพ่อที่ซีพีครั้งหนึ่งแล้วค่ะจะทําไม่ได้คทำมันทอ้อมีเวทนาอยู่ค่ะเหรือฝึกอย่างนี้สิท้อให้รู้ว่าท้อดูใจไป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 ให้หมอเขารักษาไปหรือเขาแนะนํำยังไงเราก็ทําไปจิตนี้เราต้องรักษาเองค่อยๆหัดแยกไปดูถามตัวเองว่ากายป่วยหรือจิตป่วยนะต้องถามตัวเองดูนะจิตป่วยทํำไมจิตต้องป่วยนะจิตมันรักกายมันถึงป่วยนะแล้วค่อยดูลงไปนะค่อยๆสังเกต จ, จิตใจไปจิตใจจะไม่หดหู่หรอกนะความหดหู่นั้นเพราะว่ามันรักกายมากมันไม่ชอบแล้วมันเกลียดเวทนาพอความทุกข์เกิดขึ้นนาใจมันเกลียด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 วันสองวันเองอะวันเสาร์มาถามนะวันวันจันทร์ใหม่กนแล้วห่งใสมาเลยจิตมันแยกออกมาล ะ, นะเห็นร่างกายมันป่วยนะจิตไม่ป่วยนะนี่อยู่มาตั้งหลายปีแล้วป่านนี้ยังไม่ตายเลยหมอหน้าแตกไม่รับเย็บเลยนะ <c oughs> อ้าวคนที่สามมีกี่คนล่ะกาบนมรสการหลวงพ่อคะอ่ะโยมได้สมัครอธิษฐานจิตสมัครเป็นลูกศิษย์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 นี่แหละให้รู้ทันลงไปตัวนี้ต่างหากที่ครอบงําเราอยู่ทําให้เราทุรนทุรายรู้ทันใจที่อยากมีสติรู้ทันใจที่อยากพ้นทุกข์นั่นแหละรู้ตรงนี้ลงไปเลยนะตัวนี้เป็นตัวหลักที่บงการพฤติกรรมของเรานะเราก็ตะดิน้นพล่านไปตามความอยากนะะนั่นแหละนึกออกไม้มใจมันอยากมีสติมันอยากดีอยากให้มันหยุดปรุงแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะเพราจิตเป็นสังคตะธรรมไม่ใช่อสังคตะ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 นั้นสมาธิเนี่ยเป็นที่รวมนะทำหน้าที่ไปรวบรวมองค์ธรรมฝ่ายกุศลให้มาทํางานร่วมกันงั้นสติก็เป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลนั่นหนึ่งนะพอเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้คือจิตที่มีสมาธินั่นแหละมันก็ไปรวมเอาธรรมะดีๆมาอยู่ด้วยกันเยอะเลยแล้วก็พร้อมที่จะเดินปัญญาต่อนะอ้าวคนต่อไปเบอร์สีกราบดมรรการหลวงพ่อคะ่ะพอดีว่าโยมฝึก โดยการฟังซีดีนะเจ้าคะในขณะ น, นี้ลูกอยากสอบถามว่าสภาวะจิตของลูกตื่นแล้วหรือยังเหรอตื่นได้ก็หลับได้นะตรงนั้นไม่สําคัญหรอกเวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหมรู้เจ้าคะ่ะในขณะที่รู้ว่าจิตคิดเนะี่ยขณะนั้นจิตจะตื่นค่ะขณะที่หลงไปคิดเนะี่ยขณะนั้นจิตหลับเจ้าค่ะราะงั้นทั้งวันเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นนึกออกไหมนึกออกนะให้ค่อยรู้ไปนะจิตหลับไปแล้วหลงไปแล้วรู้ทันจิตก็ตื่นขึ้นมาแวบนึงเดี๋ยวก็หลับไปก็รู้อีก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 คือรู้เดี๋ยวรู้ซ้ายเดี๋ยวรู้ขวารู้เสียงอรู้ในจิตในการคิดอสุกสั้นลงทุกสั้นลงถูกแล้วนะมันเหลือเป็นขณะขณะเท่านั้นแหละแล้วช่วงหลังประมาณเดือนที่ผ่านมาการตื่นของลูกเนี่ยช่วงแรกจะตื่นบ่อยมากอืช่วงหลังรู้สึกว่าตื่นน้อยน้อยลงแต่ว่าฝืดฝืดอืดอืดทําไมรู้ไหมไม่ทราบเจ้ค่ะเพราะว่าอยากตื่นเจ้ค่ะ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 วิธีก็คือมาดูกายให้เยอะขึ้นคิดเรื่องกายเลยผ ม, ผมกลเล็บฟันหนังเนื้ อ, อกระดูกนะไม่ใช่ตัวเราอะไรเนี้ยกระตุ้นมันจิตจะเคลื่อนที่รู้สึกไหมจิตตอนนี้เคลื่อนปว่าตะกี้ละเจ้าค่ะนี่ยต้องให้มันเคลื่อนที่ออกมานะอย่าให้มันนิ่งซึบบู้อยู่ข้างในนิน่งๆไม่เอานะเจ้าค่ะเสียเวลาลูกทาถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเออถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ถูกเลยเค่ะ <laughs> ถ้านิ่งทื่อๆอ ย, อยู่ไม่ถูกหรอก <laughs> นะ อันนี้ก็คือรู้สึกตัวอยู่บ่อยมากรู้กาย ม, มากขึ้นรู้อย่าจงใจรู้นะเจ้าค่ะถ้าจงใจรู้จิตจะทื่อๆเจ้าค่ะนะถ้าคนต่อไปบอเบอร์ห้าคุณเจ้าค่ะเบอร์ห้าภาวนาดีขึ้นไหมเนี่ยเราเติมคําว่าไม้ลงไปกามยมัสการหลวงพ่อครับก็มาส่งกันบ้านนี้ก็ปีกว่านะี่ยฮะก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวนิ่มเบาขึ้นครับ นั่นแหละดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีครูดูดูคอยมาเตือนอยู่ตลอดคือเวทนาทางกายครับออซึ่งเมื่ อ, อวานไปหาคุณหมอเรื่องผ่าตัดก็คุณหมอก็บอกว่ามันค่อนข้างร้าแรงแต่ดูใจตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใจเสียหรือว่าอะไรเท่าไหร่ก็เราพาวนาจนถึงป่านนี้แล้วครับขอบคุณครับใช่ได้นะดีแล้วล่ะผมตัวอย่างนึงว่าผมจะไปติดว่างๆนิ่งๆอะไรหรือเปล่าไม่ติดหรอกไม่ติดนะใจยังทํางานอยู่ครับถ้าจิตว่างๆนิ่งๆมันพวกหนี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 มันจะไปได้ฟุ้งไปน่ า, น า, าเลยอย่างนั้นน่ะบริกรรมไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตนีแล้ว ร, รู้หาวิหารธรรมอย่างหนึ่งหาวิหารธรรมคือคื อ, อพอดีถึงจุดนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดผมดูทางอายตนะเนี่ยมันจะไปติดว่างข้างนอกไหมฮะอย่าไ ป, ยไปดูที่อายตนะแค่รู้ว่าอายตนะทํางานแล้วเกิดอะไรขึ้นที่จิตครับนะถ้าดูอายตนะจะไม่มีกิเลสให้ดูเพราะอายตกิเลสไม่ได้อยู่ที่อายตนะ รู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะรักตัวเองมากเลยกลัวไม่ดีกลัวเสียพ็เหมือนกับวันนี้ก็สามารถมีบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่มาส่งกันบ้านรู้ความตื่นเต้นรู้รู้เบื้องหลังของมันดีครับเก่งขอบพระคุณครับต้องอย่างนี้สิอย่างนี้คืเป็นอะไรนะก็ไม่น่าห่วงหรอกรู้สึกไหมสมมติว่าต้องตายจริงๆนะใครตายก้อนธาตุนี้แตกเห็นไหมเราไม่ได้ตายด้วยฝึกอย่างนี้ถหละดี นี่แหละเราถึงจะได้หลักได้ธรรมะเอาไว้ใช้นะอ้าวไปเบอร์หกครับนมศาสการหลวงพ่อครับก็วันนี้มาครั้งแรกครับครับเก่งีิครั้งแรกไปจับฉลากได้ครับมาครั้งแรกแล้วก็โชคดีครับได้จับฉลากได้แล้วก็โชคดีไม่มีนะชาวพุทธเราไม่มีโชคอะก็มีกรรมนะมีกรรมทําให้จับฉลากได้อะไนครับก็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 แล้วก็ช่วงแรกๆก็ฟังไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติพอปฏิบัติได้สักประมาณเจ็ดวันก็ขณะที่อ่านหนังสืออยู่ก็เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วมันก็จะมีเสียงบอกเต้าบอกไว้ว่าเผลอไปแล้วนะอืครับพอสิ้นเสียงเสร็จมันก็มีความสว่างวาบขึ้นมาในจิตเออนั่นแหละแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าตอนนั้นมันจะมีความสุขอืแต่ว่าความสุขมันจะเป็นความสุขเหมือนกับความสุขที่ เป็นความสุขจากการตื่นขึ้นมาใช่อย่างนั้นถูกไหมครับถูกแล้วอ ย, อย่าอยากนะถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกจะไม่เป็นเลยครับก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันก็จะเกิดบ่อยขึ้นแต่ว่าคำภากมันก็จะสั้นลงดีตอนนี้ไม่มีคำภากแล้วโอ้ดีจังเลยครับแล้วก็จากการปฏิบัติก็ตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้เบาๆ ม, มันไม่มันไม่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 งั้นอย่างเวลาเราฟังธรรมะบางคนนะฟังมาตั้งนานแล้วบอกเพิ่งจะปิง oh, ๊งอ๋อหลวงพ่อพูดนี่หมายถึงตรงนี้ต่างหากเนี่ยนะงั้นฟังไปนะฟังไปแล้วก็สังเกตของจริงไปด้วยฟังอย่างเดียวไม่ได้ฟังแล้วต้องดูของจริงนะครับขอบคุณ ค, ครับอา้าต่อไปนมัส ก, การค่ะไม่ เ, <ล>เห็นเลยนะหนะหนุ่มเสื้อสีชมพูนี่ตัวย่อย่อยบงังอ๋อเด็กเล็กกระติสหนึ่งามาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ ตื่นเต้นมากอ๋อเก่งเนี่ยรู้ว่าตื่นเต้นเคยเดินจงกรมตอนเด็กๆตอนอนุบาลเลยอ๋อตอนตอนเด็กๆนะเดินจงกรมนะแล้วยังไงอีกอแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาบางทีเวลาเดินจงกรม ก, ก็จะรู้สึกว่ามันสงบบางทีก็ฟุ้งซ่านน ะ, ะเออดีเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตไปนะไม่ไปบังคับให้สงบหรอก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 จ ง, จงใจดูกฎหรือเปล่าเออกดไปเนี่ยรู้จักกดด้วยนะ <laughs> จงใจมากไปมันจะแน่นนะหนูดูเล่นๆไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายเป็นคนหายใจใจเราเป็นคนดูอายุเท่าไหร่แล้ว11เอค่ะเออเนี่ยเริ่มขึ้นวิปัสสนาแล้วนะ11บเอวบเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเห็นใจมันแน่นใช่ไหมใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้แหละดีแล้ว อ, อ, อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะหนูดูไปนะเกิดอะไรขึ้นในใจเราไอยรู้อยากโน้อนอยากนี้อยากกินขนมอยากเล่นอยากอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมานะฮะเจอครูบาอาจารย์ก็เยอะไม่ตื่นเต้นเหมือนเจอพระอาจารย์ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็อยากจะเรียนถามว่า ตั้งแต่ต้นที่ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาถูกทางไหมคะมาถูกทางของตัวเองไหมคะมีสติไหมล่ะมีตลอดเลยคะล่ะออเวลาจะทําผิดศีลแล้วรู้สึกไหมรู้สึกนะมีความละอายแก่ใจใช่ไหมมีตลอดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมอยู่คะ่ะอยู่แบบแข็งๆหรืออยู่แบบสบาย สบายค่ะโอน ะ, ะแล้วเห็นไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นค่ะเห็นไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเห็นค่ะก็ดีแล้วนี่ก็เหมือนอยากจะตอกย้ำอะค่ะาอาจารย์ <laughs> แต่ตัวหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนถามนะคะไม่รู้ว่าเป็นวิบากหรือเปล่าจิตมันชอบไปตําหนิคนอื่นมันเป็นความเคยชินม<า>ไม่ใช่วิบากนะค่ะไปตําหนิแต่ว่า สติมันมีอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้พ่องอะไรเพียงแต่รู้ว่าเอาอีกแล้วนี่นแหละอย่าไปตกใจะนะบางคนนะตกใจบางทีนั่งนั่งอยู่มันด่าหลวงพ่อตกใจจิตเนี่ยมันสอนไตรลักษณ์ให้เราเห็นไหมมันว่าได้เองอย่าไปตกใจน ะ, ะในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเห็นสภาวธรรมเนี่ยสภาวธรรมนั้นแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว สภาวะจะเป็นสภาวะที่ดีหรือสภาวะที่เลวก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันไม่เราอย่าไปตกใจนะจิตมันไปด่าคนอื่ น, นเราโมแต่ตกใจว่าตายเธอนี่ใสไม่ดีไปว่าเขานี่เสียท่าละแต่ถ้าเราฉลาดนะเรารู้เออจิต น, นี้เป็นอนัตตานะมันด่าเองตาย เ, เองมันบาปเองเราไม่เกี่ยวนะ<ต> <ๆ S 2> บอกมันไปอย่างนี้นะทีหลังมันเข็ดเลยแต่จริงๆแล้วแบบตำหนินี่ไม่ได้แบบหยาบคายคิดนึกเอ้ยคนนี้ทำไมเขาทาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันน ะ, ะรู้ทัน ตอนนั้นเราขาดสตินะแล้วเราก็เราไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นเรายังเห็นว่ามันมีคนอยู่มันเป็นบ่อยค่ะพระอาจารย์เป็นบ่อยก็รู้บ่อยๆก็อยากจะเรียนกราบเรียนว่าจะให้พระอาจารย์แนะนําขั้นต่อไปให้อีกมีอยู่ขั้นเดียวแหละมีสติรู้กายรู้ใจโลกปัจจุบันกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีเรา นะแต่บางครั้งเหมือนมันไม่พัฒนามันอยู่กับที่รู้สึกไหมตรงนี้ใจโอดกลวนรู้สึกค่ะรู้ทันลงไปเลยะนะอย่าไปเสียเวลาโอดกลวนรู้ลงปัจจุบันสดสดร้อนร้อนเลยเวลาที่เราภาวนาเนะี่ยมันจะมีกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อว่ากุกุจารกุกข จ, จเนี่จะเป็นความร้อนใจว่าของดีๆก็ยังทําไม่เสร็จของชั่วก็ยังละไม่หมดนะตัวนี้จะมาเผาผลาญเราให้รู้ทันะนะมันก็กิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองเราจะไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ขี้เกียจ กราบพ่อพระคุณค่ะเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตรงที่มันไม่เป็นกลางอะคะ mm ่ะ hmm. ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วรู้สึกจิตมันตั้งมั่นขึ้นมันรู้สภาวะได้ดีกว่าเดิมอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วขณะนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พยายามกดเอาไวะะ oh, ้อตอบถูกนี่เมื่อกี้เฉลยข้อสอบไปก่อนแล้วว่าอย่าตอบแค่ตื่นเต้นนี่ตอบดีสอบผ่านแล้วก็รู้สึกว่า ทำไปแล้วตัวมันจะเบาขึ้นมันไม่ทึบเหมือนเมื่อก่อนนะคะเอแต่มันไม่จะไม่เบาหวิวนะถ้าเบาหวิวโหงๆทั้งวันนั้นติดสมถะอีกแล้วแต่ก่อนไปเพ่งจัดเลยเพ่งแรงๆก็จะแน่นๆถ้าเพ่งมันจะแน่นแล้วไม่ทราบว่าจนขนาดนี้ยมันเริ่มเดินปัญญาแล้วหรือยังคะหรือว่าเราจะทำยังไงเห็นกายกับจิตแยกจากกันไหมเห็นว่ามันคนละส่วนกันนั่นใช้ได้ การที่เห็นกายกับจิตแยกเป็นคนละส่วนกันเนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งเลยนะจุดสตาร์ทจุดตั้งต้นของการเดินปัญญานะเรียกว่านามรูปปริเฉทยานมีปัญญาแยกรูปกับนามออกจากกันนะแล้วเห็นเวทนาแยกออกไปหรือ ย, อยังมันใช่พวกความรู้สึกเสียใจหรืออะไรพวกนั้นไหะเสียใจใเป็นสังขาร น, นะเสียใจกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมค่ะเออถ้าอย่างนั้นใช้ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารก็แยกกับจิตอีก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 เกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งตกอยู่ใต้ใจรั ก, อกตอนนั้นเราจะเข้าใจธรรมะอยากให้มันมาถึงเร็วๆอะค่ะโอ้ไม่มีใครบรรลุพระอราหันต์เพราะความอยากหรอกให้หนูรู้ทันใจที่อยากน ะ, ะออรู้ตรงนี้อยากเป็นตัวสมุทรไทยทำให้เกิดทุกข์อยากไม่ใช่ตัวเหตุทําให้พ้นทุกข์นะเพราะนั้นหนูต้องรู้ทันใจที่อยากน ะ, จะเจริญมรรคแต่หาเป็นเหตุให้พ้นทุกข์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 ดูตัวที่เป็นพระเอกกันขอพระคุณค่ ะ, คะกับน้ำมการค่ะ อ, อ, อยากจะขอคำแนะนำว่าควรปบัติในรูปแบบด้วยวิธีไหนอะค่ะจิตถึงจะมีกำลังอะค่ะเป็นคนประเภทไหนล่ะ น, น, นิสยัยแบบไหนเป็นคนคิดมากค่ะคิดมากเหรอคื<ม>คิดมากเนี่ยตะกูลโมหะนะตะกูลฟุ้งซ่านหัดพุทโธไปก็ได้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 ถ้าสงบอยู่แล้วนะ้ก็มาหัดเดินปัญญาสังเกตลงไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูนะกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆหัดไปเจ้าค่ะนะหัดแยกธาตุแยกขันไปนะทำความสงบเข้ามาแล้วก็มาหัดเดินปัญญาหนะลวงพ่อเจ้าค่ะปกติเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิอะไรไม่เป็นก็จะเจริญสติในชีวิตประจําวันบ่อยๆ อ, ยอ แต่มีความรู้สึกว่าสมาธิมันจะมาเองมาเองได้บางทีนั่งอยู่แล้วมันมีนมความรู้สึกว่าพอจิตไหลแ ล, แล้วสติไปลึกๆ<า>รูนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เช้าใช่ไหมจิตไหลไปเรารู้ปุ๊บได้สมาธิขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าพอฝึกไปช่วงหนึ่งนะแก็ต้องท่านทาในรูปแบบบ้างเจ้าค่ะที่ทําในรูปแบบไม่ได้เพราะจงใจทำนะอย่าไปจงใจทําด็ดถือว่าเรานั่งเล่น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 ประคองกดตัวนี่ตัวดีล่ะรู้สึกไหมประคองไว้ก็เลยนิ่งๆซึมๆไปนะอย่าให้ติดตัวนี้เท่านั้นแหละเดินจงกรมไปค่ะแล้วปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกได้ว่าสติเนี่ยเกิดบ่อยจะค่อนข้างชัดออย่างนี้จะบอกตัวเองได้ไหมคะว่าสติอัตโนมัติตัวเองเนี่ยเกิดแล้วมันไม่ได้จงใจให้เกิดมันเกิดเองนะอย่างนั้นแหละดีเกิดไปบ่อยๆเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะดีแล้วล่ะ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 แล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ชอบอืมคดีแล้วล่ะฝึกอย่างนั้นแหนะแล้วก็อยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่ทำงานเยอะแล้วก็อยู่ผู้คนอทีนี้จะเจอผัสสะที่มากระทบทั้งกายทั้งใจงแล้วแหละภาวนา ง, ง่ายค่ะก็ก็จะจะทำยังไงคะจะจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ในการดูจิ ต, ปตไ ป, ไปเลยสิกระทบอารมณ์นะจิตแกว่งขึ้นแกว่งลงทั้งวันนะดูมันไปนะ แล้วก็ถึงเวลาหมดเวลาแล้ว<ม>ก่อนนอนหรือตื่นนอนใหม่ๆไ ห, หว้พระสวดมนต์หัดทาสมาธิหัดเดินจงกรมไม่ถนัดในการทำสมาธิแล้วก็ไ ม, ม่ถนัดในการทำสมถะนะคะเหรอต้องฝึกบ้างมันก็ดีนะมไม่ฝึกเลยนะภาวนาไปนานๆันรู้แห้งแ้งค่ะนะค่อยๆหัดไปหัดไปวันละห้านาทีค่ะนะไม่เอาเยอะนะจุดตั้งต้นเอาห้านาทีค่ะนะ สวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกเนี้ยใจมันจะค่อยสงบเข้ามานะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหมดหรือยังเอย่อยกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับฟังแล้วเหมือนได้คำตอบมนแล้วแต่ขอรายงานละกันเคยไปส่งกันบ้านที่สวนสิธิธรรมเมื่อสองปีกว่ามาแล้วหลวงพ่อบอกปฏิบัติดีอยู่แล้วแต่อย่าขี้เกียจ <Ừ. S 2> แต่สุดท้ายก็ขี้เกียจครับแล้วก็เผลอไปยาวๆไหลไปนะนั่นแหลนะหลวงพ่อก็กลแล้วอย่าขี้เกียจสิ ค, คือทําเป็นแล้วต้องทํานะครับก็กลับมารู้ตัวได้เมื่อเจอเรื่องแรงๆทําให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอีกครั้งก็เรียนรู้จากความผิดพลาดความอยากความรู้สึกต่างๆแต่ว่าผมจะมีปัญหาเดิมก็คือการทําสมาธิครับไม่เคยทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิ เคล็ดลับนะเคล็ดลับของการทําสมถะนะอันแรกเลยต้องรู้จักเลือกอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่ทําเราไม่เครียดอันที่สองต้องทําสบายๆอย่าไปเข้นจิตอย่าไปบังคับให้จิตสงบถ้าไปเข้นจิตนะไม่สงบหรอกทําเล่นๆพุทโธเล่นๆหายใจเล่นๆจะสงบง่ายครับก็จะรู้ตัวเมื่อบางครั้งที่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปกําหนดอะไรตอนนั้นนะครับจิตมารวมเองอก็จะมีสิ่งนดี้ได้ แล้วก็อีประเด็นหนึ่งก็คือก็คือไม่ต้องไปบังคับตัวเองบังคับแล้วไม่รวมหรอกรจิตต้องมีความสุขนึกออกไหมแต่เรานั่งเล่นๆอยู่จิตมีความสุขผิดรวมลงไป ค, ความสุขทําให้เกิดสมาธิครับแล้วการที่เราจะศึกษาลงลึกมากขึ้นการที่เราศึกษาอภิธรรมจะช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติตรงนี้ไหมครับมันใช้เวลาเยอะนะภาวนาก่อนครับการภาวนาจริงๆนี่แหละเรียนอภิธรรมนะ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 เพรจริงๆที่พวกเราหัภาวนาทุกวันเนี้ยเรากําลังเรียนอภิธรรมอยู่แต่เรียนอยู่ในภาคปฏิบัตินะเรียนให้เข้าใจพอสมควรแล้วนะค่อยไปเรียนอภิธรรมภาคปริยัตยิเราจะเรียนเราง่ายจะเรียนง่ายไม่ต้องท่องจามากอย่างวิถีจิตไม่ต้องท่องเลยนะมันเห็นเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตางเงี้ยง่ายนะหรือปฏิจจสมุ ป, ปบาทมันเห็นเหนะ็นอะ่ะนะกง่ายครับขอบคุณครับออกจบแล้วนะ